ร่างกายและจิตใจก็รวมเป็นหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตก็เกี่ยวข้องสัมผัสัมพัน ธ, นธ์เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันอีกหลายๆชีวิตหลายๆเหตุปัจจัยเรียกว่ารูปธรรมนามธรรม มีธรรมะมีธรรมชาติที่พึงพาใส่เกี่ยวข้องซึ่งการและกันตามเหตุตามปัจจัยกระทบกระเทือนในทางที่ดีในทางที่เอื้อประโยชน์หรือว่าเกิดโทษมากมาย เราก็จะกลับมาจัดระเบียบจัดวินัยเลือกเป็นสภาพธรรมต่างๆเอามาใช้อย่างเกิดประโยชน์หรือว่ามารู้ความจริงใช่รูปธรรมนามธรรม มันมีสภาพธรรมตัวหนึ่งที่เป็นตัวรู้ตัวเห็นก็คือตัวสติตัวสติมันเป็นตาในถ้าพูดถึงชีวิตมนุษย์ที่กำลังฝึกตนอยู่ก็จะได้สัมผัสจากการเคลื่อนไหวของกายจากความรู้สึก กายเคลื่อนไหวแต่ละขณะการรียรู้แต่ละครั้งประสบการณ์ของตาในก็จะได้รู้ผ่านสภาพตรมต่างๆมากมายเป็นอาการอาการของกายก็มีอาการของจิตก็มีในปะอาการของจิตก็คือความคิด สภาพทมต่างๆก็ここจะไหลหเป็นลาดับขั้นตอนจากของอยาบไปละเอียดจากของง่ายไปยากที่ว่าง่ายก็ตรงที่ของอยาบมันเห็นง่ายรู้ทันได้ง่ายแต่ว่านำมาทำอาการของจิตนีมันเป็นของละเอียดของไม่มีตัวไม่มีตนเดียวว่าความคิด มันเป็นภาพมายาในสมองภายในจิตใจถล่มงไปในความคิดกับปรุงแต่งเป็นทั้งสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทั้งเวทนาเป็นธรรมะหรือเป็นอาธรรม มันก็อยู่ที่ว่ามีสติรู้หรือว่าขาดสติแล้วหลงถ้าหลงไปยึดนะมันก็กลายเป็นพบภูมิต่างๆรูปทั้งหลายทั้งหมดวัตถุที่มีอยู่ในโลกใบนี้ถ้าไปยึดถือก็เป็นลักษณะของยึดในรูปรูปธรรม ถะยึดในอาการต่างๆพอใจไม่พอใจสุขแต่ว่ายึดสุขม็นทำให้เ ป, เป็นภูมิได้เหมือนกันก็เรียกว่ารูปไม่มีรูปมันเป็นแค่นมามธรรมมันแค่ความคิดการปรุงอันนี้มันก็จะเป็นขัน เดิมแท้ขาดมันบริสุทธิ์รูปทำนามทำเนี่บริสุทธิ์ทำอะไรลงก็ไปยึดนีก็เป็นของไม่บริสุทธิ์ตามวิธีคิดวิธีนึกวิธีปรุงวิธีแต่งจะปรุงจะแต่งในทางที่ดีก็คือคิดจะปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีก็คือคิดอย่างเงี้ยแต่ว่าในโลกมนุษ์ก็ต้องปรุงแต่ง ในฝ่ายที่เป็นจิตกุศลเป็นบุญเป็นความดีความงามทางกายทางวาจาทางจิตใจอันนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาถ้าสูงที่สุดเป็นปัญญาพุทธะคืออยู่เนือสมมุติต่างๆเห็นโลกตามความเป็นจริงถ้าใส่ปัญญาแล้วนะของปัญญาแบบโลกๆไปเป็น เกี่ยวข้องถูกต้องทั้งข้างนอกเกี่ยวข้องถูกต้องเป็นโล ก, กียะทั้งข้างในเกี่ยวข้องถูกต้องเป็นโลกโล ก, กุตละเราไปในจิตใจข้างนอกปัญหาเราจะแก้ไม่ได้แต่ข้าขงในใจเราเราแก้ได้ทันทีมันสติจึงเป็นธรรมที่มีอภ า, าะระปราบเ บ, บิดบรรเลงเราก็จะถามเป็นมนุษย์หรือเปล่า เป็นเพราะฉะนั้นธรรมะปริเชดที่หนึ่งก็คือนะการมีสติรู้นะรู้ตัวให้มีสติท่องไปในกายทนหัวจรวดเท้าฟันหนังเอ็นกระดูกท่องธรรมฐานตรวจกรรมฐานประี๋ยวนาะ ม, มาไปบัิสติเป็นธรรมที่มีวากาล่าเหมือนพ่อเหมือนแม่ เป็นใหญ่มันลอยเท้าช้างธรรมะอื่นๆคือรอยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่รวมลงไปในรอยเท้าช้างแล้วก็รวมได้หมดทุกรอยคุณธรรมต่างๆก็เหมือนกันเมื่อมีสติก็จะรวมลงในธรรมะที่ชื่อว่าสติในการลึกรูร้ทั้งหมดลึกรูร้ได้ทั้งหมดดีมาใช้ได้ทั้งหมดตรง สติสัมญะสติปัญญาจะรู้ได้ตรงเห็นได้ตรงแล้วก็ทำเกี่ยวข้องถูกต้องอยู่สม่ำเสมอ ม, มีสติมีความขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมีความหายช่วกลั ว, วาบาปมีความเมตตา ไม่มีความโลบความโกรธความหลงเปลี่ยนเนความรู้เปรียบเหมือนป่าป่ามันขึ้นอย่างหนาแน่นมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาอาศัยพอป่าลงสัตว์มันก็หมดไปมีต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้เล็กๆหญ้าก็หมดไปมันก็ได้ทำประโยชน์แต่ก่อนจะเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นป่ามันก็มีแต่หญ้าขึ้นหญ้าก็มานิดยาคาต่อมาสาบเสือขึ้นยาคาหายไป หลังจากนั้นมีต้นกล้วยต้นไผ่ขึ้นมานกมาใส่กินกล้วยก็ลอกระแตมาใส่มีเมล็ดพันธุ์อื่นๆอีกมากมายที่นำมาเมื่อขึ้นเป็นต้นประดูต้นเต็งต้นลังเป็นต้นโพต้นไซต่างๆ ท้ายสุดพอต้นไม้ใหญ่ขึ้นต้นไม้เล็กก็หายไปหมดก็เปรียบเหมือนความรู้สึกตัวนี่แหละนมีสติรู้สึกตัวลงไปความหลบความโกดความหลงความคิดการปรุงแต่งแต่งอิจารลิษยาเห็นผิดเป็นถูกหายไปหรือได้าาวความรู้สึกตัวเราจะความรู้สึกตัวมันเป็นธรรมที่เป็น ก็เป็นแม่นอกกนั้นเป็นธรรมที่เป็นขี้รลีว้วแต่ก็หยิบมาใช้ได้เกิดประโยชน์ทีเดียวโทสะโมหาอโรภะความขยันวิริยะความขี้เกียจทงทุกตัวก็ได้ถูกหยิบมาใช้ประโยชน์ ฟังอย่างนี้บางทีอาจจะงงว่าอาลวความขี้เกียจใช้ประโยชน์ได้ยังไงมันใช้ได้อยู่ถ้ามีสตินะอย่างเช่นว่าขยันนี่ถ้าไม่มีสติก็อันตรายเหมือนกันกระตือหรือล้นถ้าไม่มีสตินี่อันตรายแต่ ถ, ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาหยิเอ า, าใช้นี่เกิดประโยชน์ ขี้เกียจแล้วทำให้ันอื่นทุกเพราะเราขี้เกียจจ น, น, น, นนะยอย่างนี้นะขี้เกียจหลงแล้วดีไหมอย่างนี้ดีนะแต่ถ้าเป็นขยันหลงนี่ไม่ดีขยําทําให้คนอื่นทุกข์นี่ไม่ดีสติมาเมื่อไหร่ทุกอย่างดีหมดเปลี่ยนร้ายก็เป็นดี เปลี่ยนความไม่ชอบเป็นความชอบขึ้นมาเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ขึ้นมาเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ขึ้นมาบางทีก็เอาความกโกรธโธ่ใส่มาใช้กลายเป็นพัฒเดชขึ้นมาเป็นจุดไฟดับไฟอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้อยู่อันนี้เราจะได้เห็นเช่นว่าเคย มีครั้งหนึ่งไปที่ผู้หลงไฟมันไหม้ใครนั่งคุยกับอาจาว่าอาจารย์ไปศาลอยู่ได้กลิ่นควันกลิ่นควันก็บอกอาจารย์บอกว่าอาจารย์ผมได้กลิ่นฟันนะอา่ารยก็บอกว่าจมูกมันหลอกไม่มีหรอกผมไม่ได้กินเลยท่านว่าอย่างนั้น ผมว่ามได้กลิ่นนะมันไม่ใกล้ๆเนี่ยล่ะ <c oughs> ปรากฏว่าไหมมาจริงๆ <c oughs> แล้วก็ไหมมาใกล้กุฏิด้วยนะ ป, บ ป, บปุบปับปุบปับปุบปับป๊บป๊ป๊ป๊ไฟไหมมาเราก็ต้องหยุดบทสนทนาแล้วก็เตรียมไปดับไฟกัน <c oughs> ยิงดับยิ่งเอาไม่อยู่นะลมมันแรงแล้วก็น้าแรงความชื้นมันน้อย ประมาณเดือนเมษายนเราก็ดับกันจนกระทั่ ง, งมันดับไม่อยู่อะช่วงหนึ่งมันไหม้มาถึงป่ายาคาน้ำก็ไกลไฟก็กองใหญ่เกินไปเราก็เลยตัดสินใจจุดไฟดับไฟจุดไฟ เอาไฟนะั่นแหละมาดับไฟก็คือระนาของเอาพะเดตเอาความร้อนอานามยอ่อดอณามบ่งปรากฏระดับลงไฟหยุดไม่เข้าวัดป่ามหาวันตอนนี้นใช้น้ำน้ำกับไฟนิ่งแแทางกันน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟก็จะมีการจุดไฟดับไฟ ก็คือเอาสติปัญญามาใช้เนมเป็นอย่างนั้นตสติเองมันจะเป็นคุณธรรมที่สามารถหยิบใช้คุณธรรมทุกตัวมาใช้ได้อย่างถูกต้องเมตตาถ้าไม่มีสติมาใช้ก็เป็นเสนหาทาั้งๆนี้มันดีนะเมตตาแต่ใช้ไม่เป็นมันเป็นเสนหา แต่จะใช้เป็นมันเป็นปัญญามันจะเป็นธรรมที่มีคุณมีค่าก่อประโยชน์สูงสุดแต่ว่าตัวสติเองก็เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาบางทีก็ก็มีขึ้นมาบางทีก็จะหายไปสติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ยอมรับสภาพกับธรรมชาติทุกตัวและทิมเกิดขึ้นเป็นอาการของกายของใจ เป็นอาการธรรมชาติธรรมดาธรรมดาที่มันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแล้วหายไปเราก็จึงไม่ต้องพูดว่าเมื่อวานปฏิบัติ ด, ดีวันนี้ทําไมมันไม่ดีเม่อช้าปฏิบัติดีจังทําไมตอนบ่ายไม่ดีมันไม่มีการเปรียบเทียบจริงๆแล้วมันไม่มีการประเมินมันเฉพาะหน้า อะไรก็ได้ให้มันเกิดขึ้นมาฝนจะตกแดดจะออกมันจะหนามนจะร้อนมันจะหิวมันจะเจ็บปวดเมื่อยมันจะไม่สบายนมันก็เป็นสภาพอย่างนั้นนะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเป็นส่วนกี้ลิ้ว เอาให้เหลือแก่นจริงๆก็คือสติสมัมปันยะรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวทำไปอาจจะเจ็บปวดเมื่อยมีความง่วงมีความเบื่ออะไรมันถูกทางที่สุดแล้วมีความเังเลสงสัยมีประยาเกิดเกินมามีการมลาคะมีปฏิคะ มีปริโพเทความกังวลมันทพักินถึงบ้านเดียรคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงคนถึงเพื่อนถึงหน้าที่การงานเดียรคิดถึงการเดินทางคิดถึงสุขภาพลักษณะปริโพเทศเกิดขึ้นมาให้เรารู้เราก็กลับมารู้สึกตัวมันก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะักเริ่มหนึ่งที่ความรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวต่ลนะขณะจนทั้งมันจะกระพริบตาหรือหายใจ อารมณ์ต่างๆจรไปจรมาเราก็รู้เท่ารู้ทันจะเปรียบกันเหมือนสลายแห่งนี้นถ้านักปฏิบัติทำมาสะอาดเรียบร้อยถูกันขวาดกั น, นแต่ถ้าสุนัขเข้ามามก็เห่าหอนที่สมกันก็คือมีมัดมีเห็บด้วย มันก็จะกระโดดกันเราละทีเนี้ยเล็กๆน้อยยุยยิบไปคันๆยังเมื่อวานก็จับปล่อยตัวนังนอนทุกวันตื่นขึ้นมาว่าแขนเราเป็นอะไรเ ป, เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดจุดแด ง, แดงๆเล็กๆเนีนะวันนี้ไม่มีแล้วเมื่อวา น, นยังเจออยู่บางทีค้างๆเอวเอ๊ะทำไมมันคันๆมีปุ่มเปลองลอยด้วยนะแดงๆมันกัดเอาก็จับมันแล้วก็ไปปล่อย เห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วเห็นเงื่อนไขแล้วมันก็นมาพาหานําโล่พวกสัต์ุนัขแมวก็ะรอกกระแตถ้ามีคนอยู่ป่าพนักสลาไม่ได้ปฏิเสธกระรอกกระแตจะวิ่งโครงกลามสุนัขมาจะเห่าหอนนักจิตวิทมาจะจิติทําไม่ได้ว่าอะไรเหมือนใจของเราใจเราไม่เคยว่าอะไร ทำที่เป็นอกุศลหรือว่าทำที่เป็นกุศลเกิดขึ้นมาเป็นความฉลาดเป็นความไม่ฉลาดเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเรารู้สึกตัวเราได้เห็นส่อส่องทำเกิดทำมั่วิ ย, ยะขึ้นมาเกิดการส่องส่องทำเห็นความจริงที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละพอมีสติความโง่ความมืดงุญงงสงสัยก็หายไป มีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็ตื่นตัวขึ้นมาถ้ารู้รู้ตื่นเบิกบานเป็นผลเป็นในสองการปฏิบัติแล้วก็ถูกทำถูกทาถูกมันเห็นมัอเห็นกายเห็นใจของเราหยิบมาใช้เป็นมงคลเป็นประโยชน์ต่อไปเป็นความดีความงามเรื่องของกายเราก็เกี่ยวข้องกับเขา ทีก็มีโรคภัยแค่เจ็บตรักทํางานทํางานเกินไปเราก็หยุดพักสับ้างออกกาลังกายใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นเวลาหนาวทั้งศีสันทั้งปลายมือทั้งปลายเท้าก็เกี่ยวข้อ ง, งเวลานอนก็นอนให้หลับถึงเวลาต้องกายบริหารนก็กายบริหารอาเนื้ก็ถูกต้อง หายอากาศกับหายใจอย่างเต็มปอดอิ่มไม่ต้องสูบบุหรี่อันนี้โคติีนเข้าไปบางทีไม่ต้องกินกาแฟปลุกตัวเองให้ตื่นเป็นเรื่องของสติความรู้สึกตัวเกี่ยวข้องลงไปจิตใจของเราฝึกสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นเรื่องการจัดการอารมณ์จัดระเบียบความคิด อันเดียวเลยก็คือการฝึกสติปัฏฐานเรื่งจิตใจมาจะจัดการกับอาระะมณ์จัดระเบียบจริงๆไม่ได้ไปจัดการไปเขาหายไปอะไรหรอกจัดระเบียบตรงไหนควรคิดควรพูดควรทำอย่างไรก็เกี่ยวข้องให้ถูกมันมีของอยาไปหาของละเอียด ม, มีคําพูดตั้งแต่ยาบไปหาละเอียดมีการกระทําตั้งแต่ยาบไปหาละเอียดมีความคิดตั้งแต่หยาบไปหาละเอียดเราก็รู้เท่ารู้ทันมันบางทีเวลาเราไป ท, ทํารรจะไปตีค่าจริงๆแล้วไม่ต้องไปตีค่าให้ค่าอะไรสักอย่างเดียวสมมติบัญญัติในโลกนี้มากมายเหลือเกิน เป็นบุญเป็นบาปเวลาปฏิบัติเหนือบุญเหนือบาปแทนที่จะเป็นกรรมคิดพูดทํามันกลายเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อเราลงมือทํามันเห็นธรรมชาติธรรมชาติก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยในโลกใบนี้ไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่ธรรมชาติมนุษกรตือกลาสมมติเอาไว้เป็นธรรมะเป็นอาธรรมมันก็จริงพอเรามีชีวิตนี แล้เกี่ยวข้องกับสองคนขึ้นไปมันก็มีดีมีไม่ดีมีการกระทบกระทั่งทางกายวาจาใจกันมีการแบ่งปันเ อ, อื้อเฟื้อบางคนทําดีอาจจะทุกข์ก็ได้บางคนทําไม่ดีอาจจะหัวเราะเลิงล่าก็ได้อันนี้ก็คือให้สติความรู้สึกตัวของเรานํามาใช้นจนกระทั่งเหมือนกับว่า บุญบาปไม่ต้องตามมาก็ได้ขณะใกล้าตายอมันเป็นคืนสู่ธรรมชาติใช้ชีวิตอย่างเหนือโลกเป็นชีวิตที่มีความรู้เนือ้อตัวเป็นสภาพตามต่างๆที่มีสละเป็นความบริสุทธิ์เราแสดงออกไปบางทีหลายคนทำดีท้ายสุดอาเปญญา็นยาอาชญากรก็ได้นะ เวลายอยู่คนเดียวที่อาจจะเป็นอาชญากรก็ได้นะหรือที่อาจจะเป็นอาเจียะก็ได้อยู่คนเดียวอาจจะหลบหลบลีกเลก็คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วหรือว่าอยู่คนเดียวที่อาจจะศึกษาทุกอย่างเรียนผิดเรียนเรียนถูกเรียนแต่เลือกเป็นในท้ายสุดหรือว่าต้นลายปลายคดหรือว่าต้นคดปลายตรงเรืองตรงทั้งต้นทั้งปลาย แล้วก็หยิบมาใช้ให้ได้ประโยชน์ถ้าตนตัวตายก็กล่าวมาทำไม้เท้าใชเป็นแขนเป็นขาเป็นปากเป็นเสียงเอามาเป็นบริวารเวลาแก่เท่าจะได้ใช้ไม่เท้าดีกว่าใช้ลูกบางทีบางทีลูกก็ใช้ไม่ได้จอทางอเมีพุทธะทํานายนยกล่าวไว้เมื่อสองพันปีพระเจ้าปเปเสนทิโกสน สเวนมิทเห็นวัวตัวแม่ไปดูดนมลูกตัวลูกก็สลัดขาไม่ยอมให้กินก็สงสัยมาถามองค์ตุนสังฆเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าก็บอกว่าในานากรการผู้ที่เป็นแม่คนก็จะไปง้อลูกขอลูกกิน ลูกก็อคตันอยู่ไม่รู้คุณของผู้ที่อุปการลามาก่อนต่อแม่เสร็จแล้วก็ดีใส่จะมีในการข้างหน้านูน้นในการต่อไปยุคเิจิตก็เป็นอย่างนั้นและลูกเราก็ติดอินเทอร์เน็ตติดคอมพิวเตอร์ติดสื่อสารมวลชนติด การกระตุ้นปลุกเราทางสังคมต่างๆเทรนต่างๆก็ๆปรากฏขึ้นมาแปรนดเน้นต่างๆนการศึกษาเดี๋ยวนี้นก็ไปแตกต่างจากทุกยุคทุกสมัยก็คือการศึกษาที่ศึกษาไปนอกตัวเป็นการศึกษาเพื่อบริโภคบรรุนิยมบริโภคนิยมเป็นเรื่องของการโหยหา แสวงหาวัตถุ ก, กรรมะคุณต่างๆก็ไม่ได้หมายถึงว่าผิดแต่หมายถึงว่าเมื่อเราผ่านชีวิตอย่างนั้นมาเราก็รู้ลวมันให้ความสุขแค่ไหนความสุขเกษมสารที่เกิดจากการเฝ้าดูนะอาการต่างๆทิ้งปรากฏสภาพธรมต่างๆที่มันมีอยู่ตัวเราก็แตกฉานขึ้นมาอันนี้มันก็เป็นเร่องหนังความสุขอีกชนิดหนึ่งมันเป็นการเดินทางสู่การปล่อยการวางการหยุด ทำไมเกิดความเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต่อไปมันก็เกิดจากความรู้สึกตัวนี่แหละการเคลื่อนกันไว้เดินงคมนั่งยกมือสิบสีชั่งวัดแล้วเราจะนั่งดูลมหายใจถ้าทําเป็นวิธีการอื่นๆก็ตามท้ายสุดก็คือมันทําให้เกิดที่ปัจฉรายานขึ้นมามวยจะเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้อง มันจะเกิดความสุขสวยรวยดีมีความฉลาดแล้วก็เห็นความจริงของโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องคืนเขาทั้งหมดเราก็เลยอยู่ทําดีทั้งวันเหมือนไม่ได้ทําอะไรทําดีให้กับโลกต่อไปเรียกว่าบุญเรียกว่ากุศลอยู่เพื่อที่จะทําบุญทำกุศลตั้งกายว่าใจกันเราก็จึงพึ่งพาอาศัยกันได้ กิดสังนิจสุกสันิภาพที่ไหนมีพฤติคุณที่ไหนมีธรรมคุณที่ไหนมีสังคุงคุณที่นันก็สงบเรียบร้อยจั่างวัดปา่าโสธเนี่ยมันเป็นความสงบนดีกว่าอยู่ในเมืองถ้าจะฝึกจิตมันเห็นตัวเองได้ชัดถ้าอยู่ในเมืองเน้นปุกแล้วอยู่ที่ทํางานที่เราอยู่สับสนวุ่นวายแล้วก็เผลอมีแต่ความคิดการปรุงการแต่งพอมาอยู่ที่นี่ อารมณ์ข้างนอกไม่เข้ามามันก็เ ห, หลืออารมณ์ภายในของเราเรา ไ, ได้เห็นสภาพธรรมของเราทุกๆสภาพธรรมที่มันมีอยู่ในตัวเราเราก็จัดระเบียบกันดังนั้นในท้ายสุดนี้ก็ขอให้การกระทําของเราทั้งหลายนั้นหรือว่าการที่เราได้มาทําดีกันก็จะเป็นไปเพื่อกันทําที่สุดแห่งกองทุกโดยตัวหน้ากันทุกตั้นทุกรูปทุกนามเธิ